ถ้าไม่มีผู้เห็นคุณค่าในธรรมก็คงไม่มีซีดีธรรมชุดนี้ความคิดที่จะทำซีดีธรรมะออกเผยแพร่เท่าที่ทราบไม่เคยอยู่ในความคิดของท่านพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกแต่อย่างใดท่านมักให้เหตุผลเสมอว่าธรรมะคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ก็มีเป็นจำนวนมากอยู่แล้วในระยะแรกที่ท่านไปอยู่วัดป่านาคาน้อยอเาเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี ช่วงปีพศส5 2 5ัถึง2538จึงไม่มีการบันทึกเทปการอบรมเอาไว้แต่อย่างใดท่านบอกว่าการอบรมในครั้งนั้นเป็นเพียงการปรารบข้อทำเล็กๆได้น้อยตามธรรมดาของผู้อยู่ร่วมสำนักหรือบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรหรือคารวาดญาติโยมปี2539มมีพระจากกรุงเทพมหานครที่ไปอยู่อบรมด้วย ได้ขออนุญาตท่านพระอาจารย์ทําการบันทึกเสียงที่ท่านอบรมพระและคารวะาเอาไว้ท่านก็อนุญาตให้เพียงทําการบันทึกเก็บไว้เท่านั้นไม่อนุญาตให้นําออกเผยแพร่ในที่สาธนารนณะแต่อย่างใดเทปที่บันทึกไว้ประกอบด้วยการปา ร, รบหลักพระธรรมวินัยการอบรมข้อธรรมคาสอนข้อวัดปฏิบัติที่ภระกรรมฐานหรือข้อปฏิบัติที่คารวะผู้ครองเรือนพึงรู้พึงปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม ตามเพจไวเป็นต้นท่านไม่อนุญาตให้ทําการเผ ย, พยแพร่เทพดังกล่าวนั้นอนุญาตให้ฟังเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติจํากัดอยู่ภายในวัดเท่านั้นท่านพระอาจารย์ได้ดําเนินตามแบบแผนขนบธรรมเนียมของพระกรรมฐานในวัดป่าไม่ได้มีการประชุมทุกวันเพราะเป็นปฏิปทาที่ป้องกันไม่ให้มีการคลุกคลีตีโมงส่วนการทําวัดเช้าทําวัดค่ําของผู้ที่ไปอยู่ร่วมกันในสํานัก ท่านก็กำชับให้ทำกันเองทุกวันเป็นการเฉพาะส่วนตัวระยะหลังท่านได้ประยุกให้มีการประชุมในตอนเย็นของวันพระมีการทำวัดค่ำพร้อมกันแล้วนั่งสมาธิฟังเทปธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์ทางๆโดยเฉพาะเน้นฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นหลักช่วงปี2545ถึง2547 ได้มีการรวบรวมเทปคัดเซ็ตของท่านพระอาจารย์ทำการแปลงลงเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์โดยพระเจ็ดสี่มหินโดฮันเตอร์จากสหรัฐอเมริกาที่ไปอยู่อบรมในสำนักขณะนั้นต้นปี2548ได้มีคณะนักศึกษาแพทย์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเดินทางไปอุปสมบทและพำนักปฏิบัติธรรมที่วัดป่านาคาน้อยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ท่านพระาจารย์เห็นว่าหากจะให้มีการประชุมเพียงวันพระตามปกติซึ่งมีเพียงสี่ครั้งในหนึ่งเดือนคือในวันพระขึ้นแรม8ค่ำ14บ่ค่ำสิ้าค่ำก็จะมีการประชุมเพียงสี่ครั้งดูจะไม่เพียงพอเพราะพระนักศึกษาและผู้อุปสมบทสมทบมีจำนวนเกือบ20องค์ในคราวนั้นรวมทั้งพระเก่าด้วยก็เกือบ50องค์ ท่านจึงให้มีการประชุมพร้อมกันทั้งพระเก่าพระใหม่ในทุกๆเย็นช่วงที่พระนักศึกษาบวชยกเว้นวันที่ท่านพระอาจารย์ติดธุระไม่สามารถทําการอบรมได้นับจากนั้นถือว่าได้มีการอบรมที่เป็นกิจลักษณะหรือเป็นทางการเกี่ยวกับหลักพระธรรมวินยัยข้อวัดปฏิบัติของพระการวางตนให้เหมาะสมในฐานะแพทย์ที่ดีในอนาคต ท่านเน้นหนักเป็นหลักใหญ่ก็คือจรร ญ, ญาแพทย์ที่แพทย์สมควรนำหลักธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันเพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพ ท, ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนจําเป็นต้องมีความรับผิดชอบสูงท่านสอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเช่นให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งให้ระลึก ถ, ถึงบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เสียภาษีส่งเสียให้เราเล่าเรียนจนจบเป็นแพทย์ได้เป็นต้น พระในวัดได้ทำการบันทึกเสียงการอบรมเอาไว้และกราบเรียนท่านพระอาจารย์พร้อมแสดงความเห็นว่าการที่ท่านอบรมพระนักศึกษาแพทย์ในแต่ละวันนั้นน่าจะได้พิจนารณาให้ทําการออกเผยแพร่ได้เพราะเป็นการอบรมที่เกี่ยวข้องกับข้อบิบัติของพระสงฆ์เองด้วยเกี่ยวข้องกับข้อบิบัติของคราวาสญาติโยมด้วยมีข้อคิดหลายอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างหลักจิตหลักใจท่านพระอาจารย์ได้สอนความรอบคอบ ความอดทนความไม่ประมาทความรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นต้นโดยเฉพาะเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สำคัญสาคัญที่ท่านพระอาจารย์นำมาประยุกต์สอนพระนักศึกษาแพทย์ในระยะเวลาจำกัดให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรความเชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูญ ศิลธรรมมีความจาเป็นอย่างไรในสังคมปัจจุบันการปฏิบัติต่อมีดามารดาคู่ครองผู้มังคับบัญชาผู้ใต้มังคับบัญชาตลอดถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกเป็นต้นเมื่อพระท่านให้เหตุผลดังนั้นแล้วท่านพระอาจารย์ได้ให้อัดเทพชุดนั้นไปถวายให้ท่านฟังเมื่อฟังแล้วท่านให้ความเห็นว่าการอบรมดังกล่าวก็เป็นเพียงการแสดงหลักธรรมคาสอน ที่เป็นคำสอนพื้นพื้นไม่ใช่ธรรมะลึกซึ้งแต่ประการใดเป็นคำสอนสั้นๆที่อาจนำไปประยุกใช้ได้ในทุกเพศวัยในทุกสถานการณ์หรือเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานที่พึงทําความเข้าใจกันและกันเป็นเบื้องต้นก่อนพัฒนาความรู้ความเข้าใจในทางธรรมของตนให้เจริญด้วยวุฒิภาวะที่จะเอื้ออานวยเป็นภาชนะอันเหมาะสมรองรับทำขั้นสูงของพ่อแม่ครูอาจารย์ ที่ตนพึงสนใจไขว่คว้าแสวงหาและศึกษาปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านพระอาจารย์ให้ความเห็นเพิ่มเติม เ, มเกี่ยวกับการที่พระทำการบันทึกเสียงการอบรมของท่านไว้ว่าข้อดีที่พอมองเห็นได้ของซีดีที่จะนำออกเผยแพร่ก็คือเสียงมีความชัดเจนฟังง่ายแต่พูดช้าส่วนความละเอียดลึกซึ้งของข้อธรรมะดังกล่าวแล้วนั้นท่านบอกว่า ไม่สามารถเปรียบเทียบกับทำชั้นสูงของพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ต้องยกธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้เหนือกลาาท่านพระอาจารย์เองตรหนักดีในข้อนี้เสมอท่านได้เมตตาคำชับว่าการอบรมธรรมะที่จะนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนให้พิจนารณาดูให้รอบคอบว่าจะไม่กระทบผู้ใดผู้หนึ่งท่านแสดงทัศนเพิ่มเติมอีกว่า ข้อธรรมะที่ท่านอบรมเป็นเพียงธรรมะระดับพื้นๆคงจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมเมื่อท่านพิจนารณาโดยรอบครอบอย่างนั้นแล้วจึงได้อนุ ญ, ญาตให้ทำซ d ดี3แผ่นแรกขึ้นในคราวที่ท่านพระอาจารย์มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ตรงกับวันที่27เมษายน2548ท่านบอกว่าเรามีอายุมากแล้วไม่ใช่พระหนุ่มเนนน้อยอีกต่อไป เราฝากฝังตนไว้ในพระพุทธศาสนามานานเกือบห0สปีควรที่จะมีความคิดความเห็นเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติด้านจิตภาวนาบ้างเป็นต้นและเมื่อเห็นว่ามีคณะผู้มีจิตศรัทธาอาสารับธรรมถวายท่านก็เบาใจได้ในระดับหนึ่งจึงมีซีดีออกมาอย่างที่เห็นและฟังกันแต่เนื่องจากเป็นงานที่ท่านเองไม่คาดคิดตรรียมที่จะทาหรือให้ทามาก่อน และเป็นงานที่ไม่อยู่ในความถนัดของท่านอีกด้วยเพราะเป็นงานที่จาเป็นต้องคัดสรรทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความรอบคอบในทุกขั้นตอนที่สำคัญต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พอสมควรมาดูแลช่วยกันจัดทำท่านเห็นว่าความขาดตกบกพร่องย่อมจะมีอย่างแน่นอนแต่เมื่อเห็นคณะผู้อาสารับจัดทำมีความตั้งใจจริง ระรับจัดทาเป็นมั่นคงท่านจึงได้มอบความไว้วางใจให้ทำได้และอนุญาตให้ทำมาเป็นลำดับในโอกาสต่างๆพอสรุปได้ดังนี้ลำดับที่หนึ่งเทศอบรมพระนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ระลึก27เมษายน2548ลําดลำดับที่สองจุงใจฝ่ยทมนำสุขที่ระลึกพระนวกะพรรษาการ2548ันาดดับที่สาม เนื่องในพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นต้นณจเจดีศรีไตรัตนานุสรคุณแม่ชีแก้วเสียงลำ้ำชุดเดียวกับ16ประหลอดทำวัดใจสมัย61 27เมษายนสองพัคุณเอื้ออารีคุ้มทรัพย์ทําถวายลำดับที่สจริยธรรมจันโลโลกร่มเย็นลำดับที่ห้าประทีตธรรมสองใจประทีตไฟสองทางลำดับที่6เสริมวิสัยทัศน์สร้างวิสัยธรรม ลำดับที่7คติธรรมสอนหลักจิตคติชีวิตสอนหลักใจลำดับที่8หลักกิโลวัด ร, ระยะหลักธรรมะวัดจิตใจลำดับที่9บัณฑิตฝึกตนวินิูชนฝึกใจลำดับที่10ชีวิตหนึ่งดวงใจท่องไปในโลกกว้างลำดับที่11ข้อธรรมย้ำเตือนใจข้อวินัยย้ำเตือนตนที่ระลึกงานกรถิญยีิบแปตุลาคม2550 ลำดับที่12วิชาดีจริยเด่นเน้นวินัยตนที่ระลึกงานกะถิน28ิตุลาคม2 5 5 0ารลำดับที่13เข็มทิศชี้บอกทางฮิริโอตปะที่บอกธรรมลำดับที่14พุทธบุตรแท้แน่วแน่ในคุ ณ, ณธรรมลำดับที่15ศห้สินสมาธิปัญญาคือทรัพยากรอันล้ำค่าที่ระลึกงานกถิญสิตุลาคม2 5 5 1ารดลำดับที่16 บุคคลใดก็าตามถ้ายังเบียดเบียนสัตว์อยู่ไม่นับว่าเป็นอารยะชนที่ระลึกงานกระถิน19ตุลาคม2551ลำดับที่17ยึดธรรมวินัยเป็นองคแทนาศาสดาลำดับที่18ให้มั่นใจเถิดว่ามัดผลอย่างคงเส้นคงวาลำดับที่19ก้าวตามหลักธรรมมุ่งมั่นสร้างหลั ก, กจิตลำดับที่20ภาษาศาสดาทรงชี้ทางสว่างโลกทาชุดโดนใจลำดับที่1และ2 สรุปได้ว่าการทำซีดีธรรมะจำเป็นต้องอาศัยทีมงานที่ประกอบไปด้วยบุลคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีความละเอียดรอบคอบรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญต้องมีอัตยาสาัยไฟธรรมะคุณสมบัติเหล่านี้สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากจะหายากหรือมีน้อยคือประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็ขาดอีกอย่างหนึ่งหรืออีกหลายอย่างไปต้น อย่างไรก็ตามเมื่อท่านพระอาจารย์เห็นว่ามีผู้ดูแล ร, รับผิดชอบดำเนินการจัดทาซีดีทำชุดต่างๆดังกล่าวแล้วทีมงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายภารกิจก็มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันจัดทำด้วยความเอาใจใส่ท่านบอกว่าแม้มีข้อบกพร่องให้เห็นอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแต่เห็นว่าทุกท่านมีความตั้งใจจริงเสียสละทุ่มเท และท่านพระอาจารย์เองก็เห็นประโยชน์ที่ผู้สนใจฟังธทมภาคปฏิบัติจะพึงได้รับมีผลดีมากกว่าผลเสียท่านจึงได้อนุ ญ, ญ, ญาตให้ทำขึ้นนับตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งถึงิพร้อมทั้งทำชุดโดนใจหนึ่งและสองตามระดับที่สำคัญอีกประการหนึ่งท่านพระอาจารย์มาพิจารณาเห็นว่าถ้าไม่มีท่านผู้เห็นคุณค่าในธรรมก็คงไม่มีซีดีธรรมชุดนี้ท่านพูดไวอ้อย่างนั้นคณะสิทธิผู้มีส่วนร่วม การจัดทาจึงขอถือโอกาสณนะที่นี้อนุโมทนาขอบคุณท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการจัดทาตั้งแต่แผ่นที่หนึ่งถึง20และทำชุดโดนใจสองแผ่นก็คือคุณหมอเพนสีมกการานนท์และคุณนิชาพามกการานนท์ทั้งสองท่านนอกจากเป็นกำลังหลักนำต้นฉบับซีดีไปบันทึกลงแผ่นซีดีที่บริษัทออนป้าจำกัด พวกเราจึงได้แผ่นซีดีที่ผลิตออกมาเป็นมาตรฐานสากลสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและทั้งสองท่านอุตสาหะไปพิมพ์แผ่นปกบรรจุลงในแผ่นปกรูปแบบต่างๆทั้งหมดด้วยทุนท ร, รัพย์ของท่านเองแล้วยังได้มีศรัทธาภาษาทะพิมพ์ธรรมะบังกันที่โดนใจออกเผยแผ่ในรูปแบบของหนังสือชื่อต่อๆ อ, อ, อ, อีกด้วยนอกจากนี้ ยังได้มีผู้ขออนุญาตจากท่านพระอาจารย์นำไปบันทึกออกเผยแพร่ในโอกาสต่างๆเช่นครอบครัววรุณวัชรินทร์จังหวัดนครราชสีมาท่านนอํอำเภอปากชมจังหวัดเลยและอีกหลายท่านที่ไม่สามารถนำมาก่าวให้ทั่วถึงในที่นี้ได้ส่วนทีมงานที่มีส่วนในการทำซีดีธรรมสมควรก่าวไว้ในที่นี้คือพระรัตนเขมรัตโนพระนายแพทย์บัณฑิตสุ ป, ปันธิโตพระภัยบู์เตชะุญโย พระประสิทธิตญาโนพระไพโรธสัญญจิตโตพระคนเอกดอกตอ็ตรสมศักดิ์ธรรมสัตติโกพระพรเทพญาณวุฑโธพระประกอบยุตตะธ ร, รมโมพระชาลีติขญาโนพระอนุชิตทีระปัญโยพระยศวีธรรมวุฑโธพระนฤริตกิติปัญโยรองาศาสตราจารย์นายแพทย์มิทูลประเสริฐเจริญสุข คุณนรินเสเวต์ปวิจุลคุณสมบูรณ์ปฏิมาอารักษ์คุณนันทภูมิสุภอิสริยกุลคุณไพโรธศิรินามารัตนะคุณธงชัยพัฒนทร์ตรุกูลสุขคุณสรพงษ์มโนศิลปกรคุณจักริดวิจิตมาลาคุณสุภาวดีธนประพัฒคุณบุษยาแท่แต้คุณพัชราคุณตังวัฒนาคุณพิชิตโตนิติวงศ์ คุณชนิดพลสังสิทธิเสถียรเป็นต้นและต้องขออภัยหาขาดตกบกพร่องไม่ได้กล่าวนามท่านไว้ในที่นี้รวมทั้งหากมีสิ่งไม่เหมาะสมประการใดอันจะพึงมีเกี่ยวเนื่องกับการจัดทำสิดีธรรมน้อมบูชาคุณที่ได้นำออกเผยแพร่ไปแล้วนั้นคณะผู้ร่วมจัดทำขอน้อมรับคำตำหนิ ด, ดังกล่าวนั้นทุกประการ และจะพยายามแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมในโอกาสอันควรต่อไปจึงขออนุโมทนาขอบคุณทุกรูปทุกท่านที่มีส่วนแห่งความเสียสละในการจัดทำซีดีธรรมของท่านพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกเพื่อให้พุทธบริษัททุกมู่เหล่าได้รับความรู้ความเข้าใจในธรรมยิ่งขึ้นไปท่านพระอาจารย์ได้ดำเนินตามรอยพุทธปฏิปทา ธรรมะปฏิปทาสังฆะปฏิปทาในการสื่อสารภาษาธรรมที่ชัดเจนแจ่มแจ้งท่านอบรมสอนธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามกระทิบในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักสุจะมองเห็นรูปได้ยึงขอพรลานิสง์แห่งการจัดทำโดยพร้อมเพียงกันในครั้งนี้ เป็นพระละวัปจัจแห่งการได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วนหน้ากันเถินคณะสิทธิผู้ร่วมจัดทำสิรีธรรมน้อมบูชาคุณ19ตุลาคม2551ททีทนฟังูง้ 10กว่ปีแล้วก็ท่นานได้เป็นผู้นำในการออกซีดีชุดนี้แล้วก็พร้อมกันกับคณะสงฆ์หลายองค์อย่างที่ที่ท่านในระบุ ช, ชื่อไว้ใน สองพี่น้องท่านให้ความร่วมมือท่านมีจิตศัทาท่านไปเสียสลักทุนนะครัทั้งหมดในการทำเอ็มพีสามชุดนี้เป็นเงินท่าไหร่แต่ท่านเป็นผู้เสียสลักทุนนะครับเสีก็พร้อมกันกับนของพิมพ์นังสือจต่ อ, ต อ, ต อ, ต อ, อแล้วก็อีกองแผนือทมาชดุดนใจสรุปทั้งหมด มีเอ็มพีสามยี่สิบสองแผ่นกับหนังสืออีกหนึ่งไม้หมกและก็ขนาทีมงานทั้งหมดที่ระบุชื่อมาหลวงพ่อเองที่ท่านพูดออกไปนั้นหลวงพ่อฟังแล้วก็เป็นความจริงไม่เกิดเลยแล้วก็ไม่เวริร์เกินไปที่ท่านแสดงความผิดเพีนก็เป็นลักษณะอย่างที่ท่านได้กล่าวเพราะนั้นหลวงพ่อเองขอขอบคุณ พบเพนคณะสิบทุกๆคนขณะคุณหมอที่กผู้นศัพรับเสียสระผู้น่ะครัได้เผยแพ่ธรรมะทำคำสั่งสอนในเอ็มีสามเจ็ดสิบสองแป้พร้อมกับหนังสือนับว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไม่มากก็ น, น้อยด้วยบุญกุศลที่พบเราได้พร้อมบกพร้อมใจกันการกระทำในครั้งนี้ขอให้เป็น ตัวรับตัดใจให้พวกเราดวงตาเห็นธรรมถ้าวายังมีพบมิชาติต่อไปภายภาคหน้าก็พอให้มีสติปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิตตลอดไปจนถึงในปรรลุมักคผลดวงตาเห็นธรรมในที่สุดโดยอำนาจผลภาษีรัตนาตรายัยะพุดปิจพระธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธ์ั้งหลายพุ่งทอง พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดดูในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเธอ